พุนอะระดับอเมริกามาสารวจใไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเลยสำรวจทางดาวเทียมเลยเนยเป็นของแปลกประหลาดใช่ไหมแล้วก็ปีนี้ทราบว่าวันออกพรรษาไทยกับลาวนะ่ยไม่ตรงกันนะเมื่อวานเป็นวันออกพรรษาไทยแต่วันนี้เป็นวันออกพรรษาลาว แต่ขนาดตะก่อนเน่ยถ้าว่าเป็นวันออกพรรษาไทยเนี่ยบ้างไฟจะขึ้นน้อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะขึ้นสามร้อยกว่าเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแสดงว่าพญานาคไทยกับพญานาคลาวกําลังปองรองกันเหมือนกันพญานาคไทยกับพญานาคลาวกําลังปองรองกันเอา้าเดี๋ยวจะค่อยคอยดูว่า เย็นนี่แหะพญานาคทางลาวเนี่ยจะปล่อยบ้างไฟขึ้นมากขนาดไหนฮะจะรู้กันตอนเย็นนี่แหละแต่ว่าบ้างไฟพญานาควันออกพรรษาไทยเนี่ยสามร้อยแปดสิบแต่งแต่น้องคายจนถึงบึงการสำรวจโดยดาวเทียมของอเมริกาพ่านะนฟังๆดูไม่ใช่ธรรมดาน ะ, ะแต่หลวงพ่อบอกว่า บังไฟพญานาคอบางไฟไม่พัฒนาจุดมาปีไหนก็ปีเก่ามิเตสีสีส้มกับแดงเลือดเลือขึ้นมาฟุดขึ้นมาท่านเองไม่เหมือนบางไฟญี่ปุ่นฮะเออบางไฟญี่ปุ่นนี่จุดต้มขึ้นไปเป็นดอกเป็นดวงพัฒนานี่มนุษย์นี่พัฒนาเร็วกว่าพญานาคฮะพญานาคนมนานมาเลย จุดเท่าไหร่ก็เท่าเก่าแต่มนุษย์เนี่ยแปลกก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันขึ้นมาอย่างไงวะมันขึ้นมาจากน้ำถ้าจะว่ามันเป็นแก๊สมันทาไมมันเป็นแก๊สแต่เฉพาะวันเดียวแต่ ว, วันอื่นๆทำไมไม่มีแก๊สนะเผลอๆบอกว่าอาจจะให้ใครลงไปมุดอยู่พื้นน้ำหรอ จุดบั่งไฟขึ้นมากะมั่งวะโอ้โหน้ำโขงไม่ใช่น้ำในกละมังเมื่อไหร่อันตรายมากใครที่ไปกล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่แนวความคิดอีกเหมือนกันนะั่นแะแต่ไม่ใช่ทำมันมาทำตั้งแต่พวกเราก่อนพวกเราคิดอีกต่างหาดมันก็ของแปลกเหมือนกันนะของในโลกเนี่ยของพิสูจน์ไม่ได้มันมีมาก เพราะนั้นเราจะไปคิดว่าเรารู้หมดทุกอย่างใครก็ตามถ้าตัวเองบอกว่าตัวเองรู้เก่งกว่าใครทั้งหมดนั่นแสดงว่าความโง่ของเราเนี่ยปล่อยไกออกมาตัวบเบลอเปล่านะเพราะในโลกนี่นมันสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีแต่เยอะแยะไปแต่ถึงไงเราจะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันระวง่งงมงายโง่เขลาอีก ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องฟังเอาไว้าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่บางครัง้งถึงจากการเวลาก็เถอะพิสูจน์ไม่ออก เ, อเราก็ตายไปก่อนอพวกลูกหลานเกิดไปหลังพิสูจน์ต่อไปอีกอสรุปแล้วก็คือไม่มีที่สิ้นสุดโลกเนี่ยพวกเราคิดดูสิ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 แต่เขาก็บอกว่าไอ้ดวงเล็กๆนั่นดวงเล็บรีนัน่นนะเผลอๆยังใหญ่กว่าดวงที่เราสารวจนี่อีกต่างหา ก, กแต่มันอยู่ไกลฮ ะ, ะ <c oughs> เขาย่างพูดอย่างนั้นไปอีกเพราะนั้นดาวในท้องฟ้าเนี่ยมากมายขนาดนั้นน่ะแต่ละดวงเนี่ยเขายังสารวจไม่ได้เพราะนั้นสิ่งในโลกในสิ่ง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 ไม่เห็นมาบอกแต่เลยเห็นหายเงียบไปเผาแล้วจบจบไปไม่เห็นมีอะไรถ้าพูดอย่างนั้นก็ว่าอันนี้พวกนี้แปลว่ามันยังอยู่ยังปะทะปรมะมะัยังเป็นผู้ไม่สามารถที่จะส อ, สอนได้โลกันตะพวกนี้ป็ว่าโลกันตะแปลว่าเป็นผู้มืดบอด ไม่เปิดประตูไม่เปิดความรู้สึกออกมาศึกษาภายนอกเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มองดูสรรพสัตว์ดวงวิญญาณทั่วไตรโลกเนะี่ยมีมากมายแต่ได้ท่านก็พูดท่านไปกวาดใบไม้ประดูในบริเวณนะั้นที่พระพุทธองค์ประทับนั่งประทับนั่งอยู่ในป่าขอบสระน้ำอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง เป็นที่สงบสงัดท่านก็กวาดเอาไใบประหัตของท่านไปกวาดใบไม้มารวมกันแล้วท่านก็กํากําใบไม้ประดูขึ้นมากําหนึ่งตั้งปัญหาถามพระสงฆ์ที่มาร้อมรอบตั้งห้าร้อกว่ารูปน่ยดูก่อนพระสงฆ์ใบไม้ประดูอยู่ในกำมือของเราเนี่ยกับใบไม้ประดูที่มันหล่นในพื้นดินเนี่ย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 มีอยู่หน่อยเดียวมีกำรร ม, มือเดียวแต่ใบไม้ที่บรรลุล่วงหลดอยู่ในแผ่นดินมากกว่าพระเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกว่านี่แหละชั้นใดภิกษุทั้งหลายที่เราได้ตัดสู้ที่โครนต้นโพที่ว่าอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นเหมือนกับใบไม้เนี่ยมันเกลือดอยู่ในแผ่นดินมันอยู่ในสถานใดนเรารู้หมดความรู้ของเรากว้างขวางแตกฉาน รู้ได้หมดทุกอย่างเราจะรู้เรื่องอยากจะรู้เรื่องอะไรยานทัศนะของเราพร้อมที่จะรู้ได้หมดทุกอย่างแต่ว่าที่เรานำคำสอนมาสอนพวกท่านทั้งหลายนั้นน่ะเราไม่ได้เอาทั้งหมดในแผ่นดินมาสอนเรานำมาสอนเพียงกรรมมือเดียวเท่านี้แหละที่เราพระธรรม4 000, ป0 0พันพระธรรมะขันที่เรานำมาสอนพวกท่านทั้งหลายนี่ คือใบไม้อยู่ในก ร, ร ม, มือของเราถ้าว่าสิ่งที่เรารู้วิธีการทำลูกศรยังไงทำระเบิดยังไงจะฆ่าคนยังไงวิธีการทาศัต ร, รูอาวุธเรารู้แต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความผาสุกไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมวลมนุษยชาติแต่ทำคำสอนของเราที่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 นำรมคำสอนที่ออกมาสอนพวกท่านเป็นไปเพื่อความผาสุกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกรหลุดพ้นจากอาสะวักิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกที่เรานำทมคำสอนให้เพว่าหาวิธีคลายไม่ให้จิตใจของเรายึดมั่นติดอยู่ในโลกจนเกินไปอย่าไปล่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะเพราะนั้นทำคาสอนของเราจึง ได้สอนมารักษณะอย่างนีนะ้อันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ท่านบอกว่าอดีตชาติหรือวะไรเนะี่ยเราก็รู้นะพ่าสมัยหนึ่งพระสงฆ์พูดเรื่องลูกศิษย์ของพระมหากัสปะลูกศิษย์ของพระมหากัสปะเทระสององค์ รักกันไปที่ไหนไปด้วยกันไปบิณรบาตพร้อมกันกลับมาใครแค่ว่าบริขารองคหนึ่งใช้แทนกันแหมแปลว่า อ, อยู่ด้วยกันบริขารมีอะไรเปลี่ยนใช้แทนกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันพระสององค์นั้นรักกันมาก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 พระสงฆ์ก็เลยกลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าแน่ลูกศิษยท่านพระมหากรัตปะเทเรเนี่ยมีความพร้อมเพียงรักกันจริงๆแต่ไม่ใช่รักแบบโลกสงสารรักกันด้วยมีความหวังดีต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีความาพึ่งพาอาศัยกันปฏิบัติธรรมโดยศีลสมาธิปัญญาคําว่าทะเลาะบ่แพ้งกันไม่มีบริคานาใช้เปลี่ยนกันและใช้ร่วมกัน ในการใช้บริขารหาได้ยากติพะพระสงฆ์จะเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าดูก่อน ส, อสมัยก่อนเนี่ยเคยมีอย่างเนี้พระสงฆ์เลยถามกราบทูลถาม พ, พระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจ้าขา่าพระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งคนจันทานเกิดมาในท้องเดียวกัน พอเกิดมาแล้วก็รักกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่นี่ก็พอไปแสดงคนจันทานเขาดูถูกเยียวยา ม, มากแต่นี้เขาก็ไปแสดงไปแสดงแอนคอนเสิร์ตนะให้คนทั้งหลายฟังตอนนี้พอแสดงเสร็จแล้วเนะี่ยคนทั้งหลายพอรู้อันเป็นลูกจันทานเขาก็เลยโอ้โหล้างหูล้า ง, างตาพวกพรามทั้งหลายเขาดูถูกอย่างมากจากนั้นก็ค้อนเขาก็ทุบ อีกออมึงจะมาหลอกไงมึงเป็นจันทานมนยายกประฮัตเรื่องคอนเสิร์ตแถวนี้เหลือลักษณะอย่างนั้นออโอ้โหสึกเสียอกเสียใจอย่างมากโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะนี้เราอยู่ในชุมชนไม่ได้เร า, เราควรไปบวชเป็นลือศีออพอเนี้ยไปบวชเป็นลือศีบำเพ็ญ อ, อยู่ในป่าพอตายไปแล้วไปเปิดไปเกิดเป็นเป็นสัตว์เป็นกวาง ขนาดเป็นกวางก็ยังเกิดในท้องเดียวกันก็ยังรักกันสองพี่น้องน่ะไปกินอาหารเสร็จแล้วก็มาก็เอาเขานอนกายกันแล้วก็หลับเอาปากจดกันฮะเออผลที่สุดพรานมาเห็นเนี่พรานก็เลยฆ่ากวางธตนะตายทั้งคู่อพอตายเสร็จแล้วไปเกิดเป็นนกอกีกนกเขาอีกนะี่ก็เกิดเป็นท้องเดียวกันอีกรักกันอีกเนี่ย นกเขาสองตัวไปหากินเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็นนะเอาหัวกายกันนะเหมือนกับพี่น้องรักกันผลในสุตรพานนก็มาฆ่าอีกตายอีกนะพอจ้นน้นผู้น้องชายไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นดินแต่ผู้พี่ชายไปเกิดเป็นลูกของพรามปโลหิต ห่างกันอ น, น, นันต์เลอแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินเนี่ยพอได้เป็นได้สวยราชเป็นพระเจ้าเป็นดินรละลึกชาติได้มอวะข้าพระเจ้าสมัยก่อนเคยเป็นคนจันทา น, นะรักพี่น้องรักพี่มากแต่เดี๋ยวนี้หายไปไหนหแต่ลูกผู้เป็นโปโลหิตเนี่ยไปบวชโอ้โ ห, หน่าเบื่อจริงรละลึกชาติทนหลังได้ทั้ง4ี่ชาติพูดไง แต่พระเจ้าแป็นดินและลกชาติคนหลังได้ชาติเดียวคือเกิดเป็นคนจันทานแต่ลูกโปโลหิตและฤกชาติได้เกิดเป็นลูกจันทานและก็เกิดเป็นกวางและก็เกิดเป็นนกเขาและก็มาเกิดนี่แหละเป็นลูกโปโลหิตเนี่ยแต่และลกษ์ชาติย้อนหลังไปว่าที่มาเกิดเป็นลูกจันทานเพราะทากรรมทุจริต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 อะเอผีชายของเราไปไหนวะไหนความรักตัวนี้ยังติดพบติดชาติอยู่นะความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีจุดนี้นะคือความหวังดีต่อกันก็นเลยหาคนนักแสดงแต่งเพลงขึ้นมาไปร้องกล่อมไปทุกแห่งโน้นวนะเพลงนี้เพลงพระราชาชอบมากนะในเนื้อหาสารเพลงก็าบอกสมัยก่อนเมื่อเราเป็นจันทาน เ, เมื่อเราเป็นคนทุกข์ เราได้อยู่ด้วยกันกับพี่แต่บัด น, นี้พี่ชายของเราไปอยู่นักสถานที่ใดลักษณะนั้นคนละ้คล้ายกับคนอื่นไม่รู้ความหมายหรอกแต่ถ้าว่าคล้ายๆแบบลมลมแรงๆแต่ตัวเองน่คิดว่าระลึกระลึกชาติโหนหลังได้จากนั้นก็ับลือสีผู้เป็นลูกปโปรเฮตเนี่ยโอ้ข่าในหน้าเบือจริงๆ และลึกชาติทนหลังได้ทั้งสีชาติมันเป็นชาติที่ล้มลุกคลุกคานจริงจริงแล้วเราจะไปอยู่ทำไมในโลกนี้เราควรจะนี้ไปอยู่ในป่าบาเพ็ญเป็นลือสีดีกว่าเพราะชีวิตของเราเนี่ยน้อยนักดูสิอายุร้อยปีเนี่ยบปีแรกเนเป็นเด็ก1ิปีสองเนี่ยเป็นหนุ่มกำลังเป็นวัยเป็นวัยกำลังคึกขนอง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 บำเพ็ญคุณงามความดีอย่างน้อยก็ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราไปอยู่ในป่านะท่านก็ไปบปําเพ็ญแต่นี่พระราชานี่ก็คิดถึงพี่ชายฮนะแต่งเพลงไปจนพี่ชายมาอยู่ที่อุทยานทราบข่าวโอ้อันนี้เป็นเพนเป็นเพลงที่น้องชายในอดีตชาติเขาพูดขึ้นมาพระฤาษีก็เลยบอกเออนะไปบอกพระราชาด้วย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 แต่น้องชายบอกว่าผมจะแบ่งสมบัติให้พี่สักครึ่งหนึ่งเลยให้ฤาษีให้ออกมาศึกออกมาอผมจะให้ทุกอย่างให้ท่านแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งพรฤาษีบอกว่าโอ้ไม่เอาละน้องเลยน้องอย่าไปติดกับโรควัฏฏสงสารชีวิตของคนเราเนี่ยนะพะฤาษีก็แบ่งแบ่งชีวิตให้ดูอายุสิปียีปี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 ลือศีผู้พี่ก็เลยมารับเอาไปอยู่ด้วยในป่าหิมะผ่านนะนี่แหละในชาตินั้นเราตถาคตเนี่ยเป็นลือศีอยู่ในป่าพระเจ้าแผ่นดินน้องชายของเราก็คืออาโ น, นนทะันวาเ น, ะนี่อาโนนนี่แหละเราบำเพ็ญมาบางพบบางชาติเราก็รักรักน้องของเราไม่ใช่รักแบบการ ม, มักกิเลสนะ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 ก เ, ก, เกลียดกันเข้ามาไมจึงโกรธกันเข้าไมจึงผูกพยาบาทคาดจองเวรต่อกันมันเป็นมาเป็นไปทั้งนั้นอ่าในชีวิตของมนุษย์คนเราเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจรงิงเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาในได้พบพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่มัน เป็นคุณงามความดีควรจะทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วอย่าทำถ้าทำไปแล้วมันจะติดภพติดชาติไปในทางที่เลวในทางที่ไม่ดีเราเกิดมาพพนี้ชาตินี้ถึงเราทำดีเราก็ไม่เห็นจะทุกข์ยากลำบากทุกจนอะไรเราสบายใจอีกต่างหากแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันทุกในจิตในใจคิดมาเมื่ อ, อไหร่ก็ทุกใจอยู่ตลอดอทุกในใจตลอดไป นอนหลับนอนตื่นอะไรก็จิตใจก็เศร้าหมองจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะนั้นทำทําไมสิ่งที่มันไม่ดีทําสิ่งที่ดีเราจะได้สบายใจของเราตลอดไปนี่แหละอันนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรามาพิจารณาการกลองดูซิไตรตรองดูซิหาเหตุผลคิดดูสิริงไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านได้นํำทำคําสอนของ พ, พระพุทธองค์มาสอนพวกเราเพียงใบไม้อยู่ในกำ ม, มือไงติดพรที่ พ, พระพุทธองค์รู้นะ่ยมีมากมายแต่มันไม่เกิดประโยชน์นะเนี่ดี๋ยวพวกเราท่านทั้งหลายใครจะรู้ขนาดไหนก็เถิร์ดนาซาที่เขาเก่งๆ เ, เ, เขาพิสูจน์มาเรยกว่ากี่ปีกี่เดือนมาแล้วเขาพิสูจน์ได้แต่พระจันทร์กับดาวพระอังคารสองสามดวงท่านเอง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 มีมากลากหลายถ้าเราไม่ได้คิดในสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่มีสิ่งที่เปรียบเทียบในเมื่อเราเปรียบเทียบแล้ว เ, เราก็จะรู้ได้ว่าเออเราจะวางตัวอย่างไรในชีวิตของเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดชีวิต10บปีสิบปีสิบปีสิปีในหลักของพุทธศาสนามันติดนักราชท่านให้แนวความคิดเอาไว้เราจะวางตัวยังไง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธนะรับพร